เอาออกทิ้งไปบ้านเราจะได้สดใสเสน่ห์จันไรจะต้องไม่มีเทวาะจะลงรักษาเสน่ห์จะมาบ้านก็สเอามาฟังคิตาดดีกันตลอดชีวิตของพ่อท่านสุบุรีเดิมสุราและข้าสัตว์มามากทรมาตั้งแต่หนุมน่มๆดิสันติฐานได้ไหมว่าไปไหน ท่านเป็นคนมโหร้ายดูมีทิฐิสูงไม่ยอมคนติดบุหรีมากสูบทุกวันเป็นอาจินจนตลอดชีวิตจะอยู่สูบก็ตอนที่ป่วยเท่านั้น oh. ยาที่ท่านใช้สูบเป็นยาเส้นพ่อเลือกสูบยาเส้นเพราะบอกว่ามันอร่อยและราคาถูกกว่าแบบซองสูบมานานจนกระทั่งท่านไม่พอไอามากไอจนพูดไม่เป็นคําพูดไปก็ไอไป แต่ถึงจะไอก็ไหม่เลิกสูบอืมอะไรจะขนาดนั้นเพราะติดแล้วมันเลิกไม่ได้จริงไหมติดแล้วเลิกไม่ได้ไม่จริงไม่จริงถ้าได้เลิกก็เลิกได้มันติดชั่วคราวเท่านั้นแหละไม่ได้ติดติดอะไรกันมากมากขนาดนั้นน่ะมันขึ้นอยู่ว่าเราจะยอมแพ้หรือยอมชนะถ้ายอมชนะก็ ช น, นะยอมแพ้ก็แพ้ก็อย่างนั้นแหละยอมรวยก็รวยเออแค่นั้นแหละมันคือจะยอมไงแค่นั้นเองเวลาท่านนอนไม่หลับตอนกลางคืนท่านงานทไงรู้ไหมสู้บุรี่ อ, อยู่ในมุมมืดจนสว่าง อ, อยู่อย่างนี้มาตลอดชีวิตลูกเองก็เคยซื้ อ, อยาเส้นจากร้านค้าทีละเยอะๆมาฝากพ่อหลายครั้งอ่าแล้วกัน เราไม่รู้ว่าบุรีมีโทษภัยถึงมหานรกรพ่อติดสุรามตั้งแต่หนุ่มบางทีดื่มสุรากับเพื่อนๆหามรุ่งหามค่ามไม่กลับบ้านเดิมจัดมากมาเป็นเวลาสิบกว่าปีจนปวดท้องทรมานมากปวดจนนอนไม่หลับลก็เดือดร้อนถึงแม่ก็ต้องมานอนเฝ้าพ่อทุกครั้งสาเหตุจากการดื่มสุราทําให้พอกก่พอเป็นโรคกระเพาะอาหารเรื่อยมา แล้วก็มีเรคลิซิดดวงทวารแถะมาด้วยเปละทายมีเลือดออกมากโรกเห็นท่านทรมาทุกครั้งหลังจากออกน้ําน้ำแต่พ่อก็ยังไม่เลิกดื่มสุราโอ้โห อ, อะไรจะขนาดนั้นเพราะนัะ้นสุราเนี่ยมีคุณหรือโทษโทษครับนี่มีโทษมากทีเดียวควรจะเลิกโฆษณาได้แล้วเนี่ยมันโหดนะโฆษณาไปชวนคนที่ ยังไม่ได้ดื่มให้ดื่มคล้ายๆตั้งใจให้ดื่มหมดโลกเง น, นนะแล้วก็ได้เงินไปรวยอยู่คนเดียวดิปกติพ่อจะเป็นคนฉลาดแต่ถ้าพ่อเมาแล้วแล้วก็พ่อจะพูดเลื่อยเปื่อยไปเลยเอาเป็นจริงเป็นจังไม่ได้บางครัง้งเมาเกือบจะโดนเขาเอาไม้ตีนะพอเมาแล้วก็ไปทะเลาะกับเขาบางทีเอาเงินที่แม่ฝากไว้ให้เลี้ยงดูครอบครัว ก็เอาไปให้เด็กหมด oh. ตาลายนึยกว่าเป็นลูกสาวของตัวเองโอ้โห oh. oh. <laughs> เออลูกสาวอด oh. แต่ลูกคนอื่นได้เนี่ย oh. ครั้งหนึ่งตอนที่พ่ออายุกสิปีพ่อไปทำธุระทีอ่อำเภอซื้อเหล้ามาดื่มจนเมาเมาจนเป็นลมตากแดดอยู่ข้างถนนเนีย oh. มันงามไหมเนี่ยไม่งามแต่ไม่มีใครสนใจเลยเด่ย กว่าจะมีคนใจดีพาไปส่งโรงพยาบาลก็เป็นเวลาเกือบครึ่งวันวเกือบเสียชีวิตโอ้โอการมาปันาติบาพ่อก็ะทำให้มากพ่อเคยไปนในพ ร, ราล่าสัตว์มาก่อนอเพราะบ้านอยู่ติดป่าสัตว์ป่าจิงเยอะพ่อพ่อได้ฆ่าสัตว์ไปเป็นอาหารบางทีก็สัตว์ที่ข้ามรับประทานอาหารยังไม่ทันหมดก็ฆ่ามาอีกอของเก่าวก็ทิ้งไปเลยกว่าฆ่าฆ่า ม, มาแล้วก็กินทิ้งกินขว้าง เนื่องจากฐานะทางบ้านเข้าครัวก็ยากจนอยากจนแล้ะยังอย่างงี้นะดูดิพอจึงหาเลี้ยงเข้าครัวด้วยการฆ่าสัตว์มาเป็นอาหารทั้งสัตว์ป่าสัตว์บ้านสัตว์บกแล้ก็สัตว์น้<อ>ําหรือแต่สัตว์ทางอากาศนั่นไม่ได้บอกเฆ่าโดวยวิธีการต่างๆและท่านทําเป็นประจำทุกปีคือฆ่าไก่มาเส้นไหว้ผี<อ>แต่ฆ่าไก่เพื่อทำพิธีเรียขวัญ พ่อเคยขโมยไก่ของชาวบ้านโอ้ยยอดคุณพ่อเลยข้ามาให้ลูกรับประทานหลายครั้งพูดถึงการทำบุญแล้วลูกไม่เคยเห็นพ่อใส่บาตรเลยปีสามเก้าผ่านมาพ่อล้มป่วยหมอบอกว่าเป็นมาลาเรียขึ้นสมองช่วยที่ท่านนอนป่วยอยู่ท่านกังวลเกี่ยวกับเรื่องน้องสาวมากน้องสาวของเจ้าของแคสต้าดี้นะ เราทั้งสาวกำลังปวยอยู่เช่นเดียวกันใกล้เวลาที่พ่อจะเสียชีวิต้วท่านมีอาการกระบะวนกระวาอยู่ตลอดเวลาจะถามแม่ว่ากี่โมงแล้วเหมือนกับรอคอยอะไรสักอย่างใจนั้นก็มีเหงื่อเม็ดเท่านี้โป้งพุดขึ้นที่หน้าผากตลอดเวลาอโอ้เม็ดมันใหญ่มากเลยนะใครเคยเห็นางเม็ดเท่านี้โป้งไม่เคยันเป็นไงจ๊ะเท่านี้เลยโอ้โหเท่านี้โป้งเลยนะ เหนียวด้วยเนะนะอะผุดขึนที่หน้าผาตลอดเวลาตั้งแต่หัวค่ําจนถึงเวลาสี่ทุ่มพี่ชายทั้งสองได้พากันดื่มสลาจนได้ที่แล้วคือพี่ชายเจ้าของเคสตัดดี้เนะี่ยคือลูกงท่านเลยก็เดินไปหาพ่อที่เตียงคนป่วยพ่อท่านได้กินสุราจากปากพี่ชายทั้งสองก็เกิดอาการกุะดิชขึ้นมา<อ>ขับไล่พี่ชายทั้งสองออกไปว่าออกไปกูเหม็นเล่า อ, อแล้วก็ชักสามที แน่นิ่ง oh. สรุปง่ายๆว่าตอนท้ายตายกันแล้วกัน oh. แต่ตาไม่หลับ oh. น้องสาวลูก ป, ป่วยเป็นโรคลมชักแต่ครั้งที่พ่อเสียชีวิตเป็นมาแปดปีลมนั่งยืนชักและกระปวดขาข้างซ้ายมาตลอดเข้าโรงพยาบาลบ่อยตอนสมัยวัรุ่นน้องสาวคนนี้เคยเลี้ยงวัวฝูงหนึ่งมีวัวตัวผู้ตัวหนึ่งดุมากไม่มีใครเอาอยู่ มีแต่น้องสาวคนนี้เขาจะใช้วิธีตีแรงๆที่ขาและหูวัวว oh. ัวจะเจ็บมากและกลัวทําอย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งขายวัวฝูงนั้นไป oh. น้องชายลูกคนหนึ่งเขาไม่ใช่น้องชายแท้ๆแต่ลูกก็รักและสงสารเขามากมีความเอ็นดูมากเป็นพิเศษชจบาสมบูรณ์ให้เขาปรารถนาดีต่อเขาอย่างจริงใจเมื่อก่อนเขาจะอนุโมทนาบุญกับลูกเวลาลูกสมบูร์ให้แต่เดี๋ยวนี้เกลียดลูกมากไม่ยามอนุโมทนาบุญกับลูกกลัวเกิดมาพบเา้าต่อไปจะไปเจอลูกอีก ตั้งทีงง่ลูกรักและปรารถนาดีต่อเขาอย่างจริงใจมันรักแบบไหนวะเนี่ยพ่อตายแล้วไปไหนได้รับบุญหรือไม่ก่อนหนึ่งชั่วโมงมที่จะเคลื่อนศพมีลมพัดแรงและฝนตกหนักเกิดจากสาเหตุใดคะทั้งสาลูกมีบุพกรรมอะไรถึงไปรคชักแบบนี้ และกับแพร่อากาศก็ ง, ง่ายลูกกับน้องชายคนที่ว่านี่เกี่ยวข้องอย่างไรลูกจึงรักและสงสารกขามากเขาเกลียดลูกเพราะเหตุใดทำใํำไมลูกจะมีกรรมแบบนี้ลูกควรจะเลิกทําบุญนี้เขาไหมเพราะเขาไม่ยินดีให้ทําให้กลัจะไปเจอลูกอีกในชาติต่อไปอ้าวล ะ, ะวันนี้จะเป็นศรีลานดี ทุกคู่มาปรึกษาห า, หาหลือตอนสมัยเรียนหนังสืออยู่นะมันเลิกกันทุกคู่เลย <laughs> อ <laughs> <laughs> พ่อตายอย่างทรมานจิตเศร้าหมองเห็นกรรมชั่วติดตัวเองทำทุกข้อโดยเฉพาะการดื่มเหล้าสุปรีเป็นต้นทำให้กตินิมิตดำมืดตายแล้วก็ดำดิ่งไปในมหาดรกคุมห้าทันทีมีกายผอมดำสูงใหญ่ปานภูเขา กำลังถูกนายนิรยาบาลจับนอนหงายกรอกน้ำกรดสีดำแล้วก็ถูกนำไปจี้โดยบุรีกรดยักษ์<ถ>และอีกหลายกรรมเช่นปาณาติบาตเป็นต้นคือโดนกรรมสุลาก่อนแล้วก็โดนกรรมอื่นเรียงๆงินไปอย่างที่เคยเอามาให้ดูจำกันได้ไหมจ๊ะจำได้ครับจะต้องอยู่ในมหานตโลกนี้อีกยาวนานดังนั้นบุญที่ทาไปให้ก็ไปคอยอยู่ที่ยมโลก อีกนายก็จะได้ขึ้นไปรับบุญจ้าหลังจากพิธีวิเศษคือรูกปฏิบัติธรรมให้เขาถึงน้ำกายแบบคุณยายอาจารย์จึงจะไปช่วยได้จ้าส่วนฝนที่ตกวันที่พ่อตายนั้น น, นไม่เกี่ยวอะไรกับการตายของพ่อคือฝนมีอารมณ์ตกวันนั้นก็ตกกลงมาเท่นั้นแหละส่วนน้องสาวจะเป็นโรคชักและแพ้อากาศเพราะการรมปัจจุบันและกรรมในอดีตที่ตีวัวนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ในอดีตคือฆ่าสัตว์ปรุงอาหารรวมกับ อนนี้ใอุปนิสัยก็เป็นคนอารมณ์ร้อนเวลาโกรธในหมาแมวก็ทุบตีหมดแหละทั้งหมดนี้เลยจ้าทําให้มีอาการดังกล่าวในใครเวลาโมโหแล้วตีหมาตีแมวมึงอะไรไม่มีลืมไม่เล่เนเด้อ <c oughs> จะแ ก, ก้ไขได้ก็ต้องทําบุญทุติยสุขสนไปให้สัตว์ที่เราทําร้ายแล้วปล่อยสัตว์ปล่อยปลาก็จะช่วยบรรเทาเบาบางได้จ้า <c oughs> ส่วนลูกกับน้องชายคนที่ว่านี้ คงไม่ได้รักกันแบบพี่น้องนะจ๊ะแล้วลูกจะไปรักเขาข้างเดียวแบบชายหนุ่มรักหญิงสาวนะเขาก็ารำคาญเพราะเขารักเหมือนพี่แต่จะให้เขารักเหมือนอย่างอื่นเนะ่ยเขาก็ทำไม่ได้ไม่มีอารมณ์เขาก็นรำคาญเขาก็เลยทำท่ายอย่างนั้นนะ่ะให้เปลี่ยนการรักใหม่รักแบบเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายจะดีกว่า<อ>จะได้ทาใจไม่เป็นทุกข์นะลูกนะ<อ>ปล่อยเขาไปเถิด ปล่อยๆมันไปตามเรื่องของมันโอ้ยน้องแบบไหนวะแบบอีหยังนี่มันอย่างนี้นี่เขาวกว็าลำคานเราสิ